เรื่องชีวกเดินทางไปกรุงตักกศิลา329สมัยนั้นนายแพทย์ทิสาป่าโมกตั้งสำนักอยู่นักกรุงตักกศิลาชีวกโกมารพัฒไม่กราบทูลลาเจ้าชายอภัยรอบเดินทางรอนแรมไปจนถึงกรุงตักกศิลาเข้าไปหานายแพทย์ผู้นั้นแล้วบอกว่า ท่านอาจารย์ผมใคร่จะศึกษาศิลปะวิทยานายแพทย์กล่าวว่าพ่อชีวกถ้าเช่นนั้นเธอจงศึกษาเถิดครั้งนั้นชีว ก, กโกมารพั์เรียนได้มากเรียนได้รวดเร็วทรงจำได้ดีที่เรียนไว้ก็ไม่ลืมเลือนพอล่วงมาได้เจ็ดปีจึงได้มีความคิดดังนี้ว่า เราเรียนได้มากเรียนได้รวดเร็วทรงจำได้ดีที่เรียนไว้ก็ไม่ลืมเลือนและเรียนมาถึงเจปีแล้วก็ยังไม่จบศิลปะวิทยานี้เมื่อไรจะจบศิลปะวิทยานี้สักทีลำดับนั้นชีวโกมารพัฒเข้าไปหาหนายแพทย์ณที่อยู่ถามว่าท่านอาจารย์ ผมเรียนศิลปะวิทยาได้มากเรียนได้เร็วทรงจำได้ดีที่เรียนไว้ก็ไม่ลืมเลือนและเรียนมาถึงเจ็ดปีแล้วก็ยังไม่จบศิลปะวิทยานี้เมื่อไรจะจบศิลปะวิทยานี้สักทีเล่าขอรับนายแพทย์ตอบว่าพ่อชีวกถ้าเช่นนั้น เธอจงถือเสียมแล้วเที่ยวไปรอบๆกรุงตากศิลาในระยะหนึ่งโยต์พบสิ่งที่ไม่ใช่ตัวยาก็จงนํามาด้วยชีวโกโมาราพัทรับคําของนายแพทย์แล้วถือเสียมเดินไปรอบๆกรุงตากศิลาในระยะหนึ่งโยต์ไม่พบเห็นสิ่งใดที่ไม่เป็นตัวยาสักอย่างเดียวจึงเดินทางกลับไปหาหนายแพทย์ณที่อยู่ กราบเรียนว่าท่านอาจารย์ผมเดินไปรอบๆกรุงตักศิลาในระยะหนึ่งโยศแล้วไม่พบเห็นสิ่งใดที่ไม่เป็นตัวยาสักอย่างหนึ่งนายแพทย์บอกว่าพ่อชีวกเธอเรียนได้ดีแล้วความรู้เท่านี้พอครองชีพได้แล้วได้ให้สเสบียงเดินทางเล็กน้อยแก่ชีวกโกมารพัฒ์ ต่อมาชีวกโกมารพัทถือสเสบียงออกเดินทางมุ่งไปกรุงราชครืระหว่างทางสเสบียงหมดลงที่กรุงสาเกตได้ตรหนักว่าทางเหล่านี้กันดานขาดแคลนน้ำและอาหารคนไม่มีสเสบียงเดินทางไปจะลำบากถ้ากระนั้นเราพึงหาสเสบียงทาง